ช่งนี้เรียนหาระสัมปาตะหาระสัมปาตะนั้นหมายคําว่าการหยิบเอาพระสูตรหนึ่งสูตรแล้วขยายหลายหายหาระด้วยกันถ้าหาระวิพังนั้นเป็นการขยายหนึ่งหาระแล้วก็ยกพระสูตรได้หลา ย, ลายพระสูตรมาแสดงหาระสัมปาตะนั้นยกพระสูตรหนึ่งสูตรแล้วแสดงหลายหายหาระเนี่ย หาระแปลว่าอะไรหาระก็คือวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์เนนะมันจากการศึกษาหาระทั้งส6หาระเนี่ยนะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธพจน์ได้อย่างถูกต้องตามพุทธประสงค์ในห า, หาระสัมปาตะ คือเทศน า, าระนั้นพระมหากจัจยนะยกคาถาว่าบุคคลผู้มีจิตไม่ได้รักษาถูกทำลายด้วยมิจฉาทิฐิถูกทีนามิทะครอบงำย่อมไปสู่อำนาจของมารก็คือไปสู่อำนาจของกิเลสมารเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ร่วงพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสงสารไปได้ผู้ที่ไม่รักษาจิตคืออะไรคือผู้ที่อยู่ด้วยความประมาท ผู้ที่อยู่ด้วยความประมาทก็ปล่อยจิตกายปล่อยใจให้เป็นไปกับบาปอากุศลเจริญกุศลแบบทิ้งๆกว้าง ท, งงงทีนี้เมื่อจิตเป็นไปกับบาปและอกุศลแล้วมิจฉาทิฐิก็เกิดขึ้นมิจฉาทิฐินั่นแหละเรียกว่าวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นวิปลาสที่เกิดจากสัญญาวิปลาสที่เกิดจากจิตหรือว่าวิปลาสที่เกิดจากทิฐิ สัญญาวิปลาสก็คือความสำคัญหมายที่ผิดพลาดจิตตาวิปลาสก็คือความคิดที่ผิดพลาดทิฐิวิปลาสก็คือความเห็นที่ผิดพลาดวิปริตจากความเป็นจริงผู้ที่ถูกวิปลาสครอบงำมากมากขึ้นจิตใจเนี่ยท้อแท้ท้อถอยในการเจริญกุศลก็แปลว่ายินดีในการหมกมุ่นอยู่กับบาปและอกุศล บุคคลเหล่านี้ก็ทำความชั่วทางกายวาจาและใจเป็นต้นในที่สุดกิเลสสมานทั้งหลายกิเลสมารทั้งหลายก็นำไปสู่การเกิดในพพใหม่ก็ไลไปสู่อำนาจของวัตตะผู้ที่มีวิปลาสเนี่ยนะเบื้องหลังของการวิปลาสก็คืออวิชากับตันหาอาวิชากับตันหาเป็นเหตุให้เร่ร่อนไปใน อบายทุกติวินิบาทนรกบางครั้งก็มาเป็นมนุษย์เป็นต้นในคาถาต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอีกต่อไปว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะผู้ที่รู้รู้มีความรู้มีความเข้าใจนะรู้ว่าถ้าไม่รักษาจิตปล่อยให้วิปลาสครอบงำ จิตเป็นไปกับทีนมิทะไหลไปสู่สังสารวัตรไม่จบสิน้นเมื่อเขารู้อย่างนี้แล้วพึงเป็นผู้รักษาจิต น, นะรักษาจิตก็คืออยู่ด้วยความไม่ประมาทมีดำริชอบเป็นโคจรให้ใจเนี่ยนะท่องเที่ยวไปในสัมมาสังกัปปะให้ใจเนี่ยท่องเที่ยวไปในเนคขมะสังกัปปะอัพยาบาทสังกัปปะและอวิหิงสาสังกัปปะ มีสัมมาทิฐิเป็นเบื้องหน้ากระทำทุกอย่างโดยสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฐิเนี่ยเป็นตัวศาสส่องในการทำกรรมทุกอย่างนี่แสดงว่าสิ่งที่ทำคำที่พูดความรู้สึกนึกคิดชีวิตที่เป็นไปนั้นก็ยกเอาก ร, รมมสกตาสัมมาทิฐินำหน้ายกเอายะถาภูตยานทัศนะสัมมาทิฏฐินำหน้ามีความรู้มีความเข้าใจในกรรม และผลของกรรมมีความเข้าใจ <c oughs> ตามความเป็นจริงนะความเป็นจริงในกรรมในผลของกรรมในเหตุในผ ล, ใ น, ผลในอดีตในอนาคตในปัจจุบันทั้งอดีตตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบั น, จจบ น, น, นเหตุและอนาคตผลรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็พิจารณาความเกิดและความดับนะความเกิดนะเหตุในอดีตมีเหตุห้าทให้เกิดใน ปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุหก็ทําให้เกิดอนาคตห้าอนาคตผลอีกต่อไปข้างหน้าอีกห้าอดีตเหตุหปัจจุบันผลห้าปัจจุบันเหตุห้าอนาคตผลอีกห้าทั้งความเกิดเกิดโดยอาการห้าถ้าขยายอย่างนี้ทุกขันเกิดโดยอาการห้าถ้าทุกขันห้าห้ายี่สิบห้าทั้นความเกิดในวัตตะห้าขันก็ได้ยี่สิบห้า เกิดในวัตฏะในอนาคตต่อไปก็ได้เหตุอีก25ก็เพื่อให้เกิดขันท่าเพราะถ้ารู้ความดับถ้าอดีตเหตุไม่มีดับอดีตเหตุทั้ง25หมดปัจจุบันผลจะมีไหมก็ไม่มีรู้อีกว่าถ้าดับปัจจุบันเหตุทั้ง25ได้หมดแล้วอนาคตผลต่อไปจะมีอีกไหมก็ไม่มีนะครอบงำทีนัมิทะคือ ไม่ให้ใจในการเจริญกุศลเนี่ยเป็นไปด้วยความท้อแท้กระทำความภาคเพียงพยายามด้วยอุตสาหะที่ยิ่งใหญ่เขาก็จะล่วงพน้นวัตตะทั้งปวงได้จะล่วงพ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยอำนาจของโสดาปฏิมักร่วงพ้นภพที่แปดด้วยโสดาปฏิมักล่วงพ้นจากภ พ, นพที่สองเป็นต้นด้วยสะกะธาคามิมักร่วงพ้นจากกรมภพทั้งหมดด้วยอนาคามีมักร่วงพ้นวัตตะทั้งสิ้นด้วย อรหัตตมรักเพราะในคาถานี้ในอุทธัตสูตรพระองค์จึงตรัสว่าผู้เพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้รักษาจิตมีความดำริชอบเป็นโคจรคือให้ใจเนี่ยท่องเที่ยวไปด้วยอำนาจของสัมมาสังกัปปะมีสัมมาทิฏฐินำหน้าไปทุกอย่างรู้ความเกิดความดับของอุปาทานขันห้าปฏิบัติครอบงำทีนามิทะไม่ให้ทีนมิธาเข้าแทรกแซง แล้วก็เจริญกุศลอย่างนี้ให้ต่อเนื่องเขาก็ละวัตตะทั้งสิ้นได้ทำที่สุดแห่งวัตตทุกข์ทั้งปวงได้พราะในเทศนาหาระสัมปาตะเนี่ยนะจะมุ่งอธิบายอย่างนี้ทีนี้สาเหตุที่ทําให้ไหลสาเหตุที่ทําให้ท่องเที่ยวไปในวัตตะตัวที่ทําให้ไหลไปในวัตตะคืออะไรคือคือตัณหา ใช่ไหมตันหาเป็นตัวให้ไหลไปในวัตะ <c oughs> พันมาดูในวิจยะหาระสัมปาตะในหน้าหนึ่งร้ในวิจยะหาระสัมปาตะนั่นนะแปลว่าการพูดถึงตันหาตันหาเนี่ยเป็นเหตุให้วิปลาสใช่ไหมไอ้ที่วิปลาสวิปลาสด้วยอํานาจของตันหาและด้วยอํานาจของทิฏฐิ พระมหาการเจนะอธิบายว่าผู้ที่ถูกทิฐิครอบงำวิปลาสกี่อย่างถูกตันหาครอบงำนี่มีวิปลาสกี่อย่างนะถ้าย้อนเทศนาหาระสัมปาตะนิดหนึ่งผู้ที่ถูกตันหาครอบงำเนี่ยนะวิปลาสสองอย่างคือเห็นว่างามในสิ่งที่ไม่งามเห็นว่าเป็นความสุขทั้งๆ ท, ที่ความจริงแล้วสิ่งนั้นเป็นทุกข์ส่วนทิฐิวิปลาส สำคัญว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงสำคัญว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่เป็นอัตตาทีนี้ผู้ที่มีตัณหาเนี่ยนะผู้ที่มีตัณหาตัณหาที่เป็นไปกับวิปลาสจริงๆแล้วตัณหาเนี่มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันตัณหากลุ่มที่หนึ่งนะก็คือตัณหาที่มีกุศลเป็นอารมณ์หรืออีกแปลอีกจำนวนหนึ่งก็คือว่าตัณหาที่เป็นปัจจัยแก่กุศล คือตัณหาที่เป็นปัจจัยแก่กุศลและตัณหาที่เป็นปัจจัยแก่อกุศลตัณหาที่เป็นปัจจัยแก่กุศลเป็นสังสารตัณหาที่เป็นปัจจัยแก่อกุศลเป็นสังสารคามินีตัณหาใดที่เป็นเหตุให้ไปล่วงอกุศลไปทำบาปทำอกุศลตัณหาเหล่านั้นเป็นตัวส่งเสริมให้ไหลไปในวัฏะส่วนตัณหาใดที่เป็นปัจจัยแก่กุศล เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมสูงสูงยิ่งขึ้นไปจนถึงเป็นปัจจัยแก่อรหัะอริยมรรคนี่นะเรียกว่าอปจยาขามีอัปจยะนี้แปลว่าไม่สังสมตันหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมที่ไม่สังสมกุศลที่ไม่สังสมเลยก็คืออริยมรรคทั้งหลายอริยมรรคนั้นเป็นการไม่สังสมวัตตพันตันหาใดที่เป็นปัจจัยให้บรรลุอริยมรรคอันนั้นแหละเรียกว่า อัปจัยคามินีคือเป็นเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลตัณหาเนี่ยนะผู้ที่มีตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหรือตัณหาเป็นปัจจัยให้เจริญกุศลเป็นปัจจัยให้เป็นอัป จ, จัยคามีแล้วก็เป็นปหานะตัณหาหมายคือว่าตัณหานี้เป็นปัจจัยให้เกิดกุศ ล, ลธรรมเกิดขึ้นกุศ ล, ลธรรมเหล่านั้นนั่นแหละ เป็นตัวมาละเป็นตัวมากําจัดตันหาขณะเดียวกันแม้มานะก็มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันมานะสองอย่างมานะที่เป็นปัจจัยแก่กุศลและก็มานะที่เป็นปัจจัยแก่อกุศลบุคคลใดาอาศัยมานะใดแล้วละมานะที่เกิดขึ้นในภายหลังมานะนั้นชื่อว่ามานะที่เป็นปัจจัยแก่กุศล ส่วนมานะใดที่ยังให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นในภายหลังมานะนั้นเป็นอกุศลก็คือแสดงว่ามานะนิมแบ่งอยู่สองกลุ่มมานะเป็นปัจจัยให้เจริญกุศลกับมานะเป็นปัจจัยให้ให้เกิดอกุศลข้อความในพิกุณีสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาทเล่ม35หข้อ1น9้หาน้า377 ที่พระผู้มีอ่ที่พระอนุ น, นั้นแสดงธรรมให้ภิกขุณีรูปหนึ่งฟังว่าดูก่อนน้องหญิงร่างกายนี้เกิดเกิดมาด้วยอาหารเธอพึงอาศัยอาหารและอาหารนั้นเสียอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองบอกว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยตัณหาเธอพึงอาศัยตัณหาละตัณหานั้นเสียร่างกายนี้เกิดมาด้วยมานะ เธอพึงอาศัยมานะละมานะนั้นเสียร่างกายนี้เกิดมาด้วยเมถุนเธอควรละเมถุนเสียเมถุนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนให้ชักสะพานเสียดูก่อนน้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยอาหารเธอพึงอาศัยอาหารละอาหารนั้นเสียดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วน้องหญิงพิสูจนในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงกลืนกินอาหาร ไม่ใช่เพื่อจะเล่นไม่ใช่เพื่อจะโมเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อประเทืองผิวเพียงเพื่อใหอ้ตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อรงงับความหิวกระหายเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าด้วยการกินอาหารนี้เราจะระ ง, งับเวทนาเก่าด้วยจกไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยความเป็นไปได้ความไม่มีโทษความอยู่ผาสุขจกมีแก่เรา ต่อมาภิกษุนั้นก็อาศัยอาหารละอาหารนันเสียคืออาศัยอาหารคือร่างกายที่เกิดมาจากอาหารแล้วก็บริโภคอาหารด้วยปัจเจกปฏิบัติธรรมก็ละอาหารคือตัดชันนราคะในอาหารได้อย่างเด็ดขาดดูก่อนน้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยอาหารเธอพึงอาศัยอาหารละอาหารนันเสียดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว ในอัตถกถาอธิบายว่าบทว่าอาหารสัมพูโตได้แก่ร่างกายนี้เกิดมาเพราะอาหารคือเจริญเติบโตขึ้นเพราะอาศัยอาหารบทว่าอาหารรังนิสายะอาหารังปชาติความว่าบุคคลอาศัยกับพลิงกระหารอันเป็นปัจจุบันเสพอาหารนั้นโดยแยบคายอย่างนี้ย่อมละอาหารกล่าวคือกรรมเก่าหมายก็ว่าพิจารณาแยบคายในอาหารก็ด้วยอํานาจ ปัจญยสันนิสิตศีนก็นับเนื่องในศีลวิสุทธิปฏิบัติตามวิสุทธิทั้งเจประการก็สามารถที่จะละอาหารคือกรรมเก่าได้พันกรรมเก่าก็เป็นอาหารเหมือนกันใช่ไหมเป็นมโนสันเจตนาอาหารแล้วก็ละตันหาละตันหา อ, นอันเป็นความไข่ในกระพลิงกระหารแม้ในปัจจุบันมันถ้าเจริญวิสุทธิทั้งเจประการจนถึง อริยมรรคก็สามารถตัดฉันทราคะในอาหารในปัจจุบันนี้ได้อันนี้เป็นข้อแรกแค่ว่าอาศัยอาหารละอาหารก็คือร่างกายนี้เกิดมาด้วยอาหารพึงอาศัยอาหารละอาหารนั้นเสียอีกข้อหนึ่งท่านนลบอกว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยตันหาเธอพึงอาศัยตันหาและตันหานั้นเสียอั น, นะก็เหมือนกับที่พระมหากระจายนะยกมากล่าวใช่ไหม ว่าตันหามีอยู่สองอย่างคือตันหาที่เป็นปัจจัยแก่กุศลและตันหาที่เป็นปัจจัยแก่อกุศลตันหาที่เป็นปัจจัยแก่อกุศนนั้นนะเป็นสังสารขามินีเป็นตันหาที่นำไปสู่วัตถะถ้าตันหาที่เป็นปัจจัยแก่กุศลก็เป็นอปัจยะขามีเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเป็นปหานตันหาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดตันหาอีกครั้งหนึ่ง พระนนท่านกล่าวว่าข้อที่ว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยตันหาเธอพึงอาศัยตันหาละตันหานิเสียเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้ยินข่าวว่าภิกษุชื่อนั้นเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายท่านจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสาเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ เธอมีความปรารถนาว่าเมื่อไรนะเราจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อมาเธอก็อาศัยตันหาละตันหาเสียดูก่อนน้องหญิงข้อที่ว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยตันหาเธอพึงอาศัยตันหาละตันหาเสียนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว มันก็ได้ฟังข่าวว่าพระอนุนก็บรรลุเป็นพระอรหันไปแล้วเป็นต้นใช่ไหมได้ฟังข่าวว่ารูปนั้นก็เป็นพระอรหันดูสิเขาบวชไม่นานเขาก็บรรลุเป็นพระอรหันหรือถ้าเป็นเราเก็บอกคนโน้นเขาก็เป็นพระโสดาบันคนนี้เราก็เขาก็เป็นพระโสดาบันเราอยากเป็นพระโสดาบันบ้างนะบางครั้งก็ปรารถนาด้วยกุศลแต่บางครั้งก็ก็ไม่ลืมว่าก็เป็นอกุศลเหมือนกันนะเป็นครั้งถ้าคิดอย่างนี้ด้วยใจที่ผ่องใสก็เป็น กุศลคิดด้วยใจที่เศ้าหมองก็เป็นอกุศลแต่รวมว่าอยากจะบรรลุเหมือนกันก็บอกเมื่อไหร่นะจะได้บรรลุแบบนั้นบ้างก็คนนั้นเขาก็บรรลุแล้วคนนี้เขาก็บรรลุแล้วทําไมเราไม่บรรลุสัทีนึงคิดไปอย่างนี้ก็เลยปฏิบัติจนได้จนได้อะไรจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นบทว่า ตันหังประชาติความว่าบุคคลอาศัยตันหาอันเป็นไปในปัจจุบันที่เป็นไปแล้วอย่างนี้บัดนี้ย่อมละปุบพระตันหาอันมีวัตตะเป็นมูลคือหมายคาอว่าตันหาตัวแรกก่อนปรารถนาอยากจะบรรลุกับเขาบ้างเขาบอกว่าไอไอความปรารถนาอยากจะบรรลุเนี่ยนะถ้าคิดด้วยจิตที่เศร้าหมองเป็นอกุศลถ้าคิดที่จิตผ่องใสเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไอเรื่องเรื่องมันเดียวกันนี่แหละแต่สุดแท้แต่ว่าสภาพจิตตอนนั้นผ่องใสหรือ เศร้ามองทีนี้ไอจิตที่เศร้ามองในขณะนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดการเจริญกุศลเมื่อมีการเจริญกุศลก็ละตันหา น, นะถ้าสํารอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานก็ก็ดับถ้าอุปาทานดับภพบก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโสกกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญาตก็ดับความดับแห่งวัฏทุกข์ทั้งมวลก็มีด้วยประการอย่างนี้ทีนี้ถามว่า ปัญหาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะที่ปรารถนาอยากจะบรรลุด้วยจิตที่เศร้าหมองเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลอยากจะบรรลุมากเลยแต่คิดด้วยจิตที่เศร้าหมองเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลถามว่าควรควรควรเจริญหรือไม่ควรเจริญควรคิดหรือไม่ควรคิดควรคิดหรือไม่ควรคิดแต่ว่าควรคิดควรเสพความคิดแบบนั้นเนี่ยนะคิดอยากจะบรรลุนะถึงคิดด้วยอกุศลพระองค์บอกว่าควรคิด เนี่ยมีอยู่ที่เดียวที่อากูสนชวนให้เจริญที่อื่นๆเนี่ยท่านสอนให้ละหมดแต่ว่าที่สอนให้เจริญอากุศลก็คือสอนให้เจริญอากุศลว่าเมื่อไหร่จะกําจัดอากุศลได้มีอากุศนเพื่อกําจัดอกุศลบอกอะไรนะคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมอ่าถ้าแบบเป็นโกรธเหลือเกินที่ตัวเองไม่สามารถกําจัดความโกรธได้โกรธแค้นพยาบาทหรือว่าต้องฆ่าความโกรธให้ได้สักวันหนึ่งอะไรแบบเนี้นะอันนี้ดีไหม ดีใช่ไหมนี่ก็เหมือนการมันอกุศลแบบนี้ถึงเป็นอกุศลแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรส่องเสพควรเจริญถามว่าตันหาที่ที่เกิดขึ้นเพื่อจะ ก, กําจัดตันหาตันหาที่อยากบรรลุเนี่ยนำเกิดหรือไม่นําเกิดท่านบอกว่าไม่ชักมาปฏิสนธิไม่ไม่นําเกิดหรอกแต่ควรละความใคร่ในตันหาที่ควรเสพอันเป็นปัจจุบันนี้เสียทีเดียว แต่ถึงอย่างไรก็ตามการปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อกําจัดตัณหาทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละแต่กล่าวรวมๆแล้วว่าตัณหาที่ปรารถนาอยากจบับบรรลุถึงจะอยากบรรลุด้วยจิตที่เศร้าหมองก็ควรนะก็อย่าไปบอกโอ้ยเดี๋ยวอกุศลเอาแต่อยากเอาแต่อยากปัญหามันไม่อยากบรรลุนี่สิที่มันยุ่งมากเลยนะอีกข้อหนึ่งก็คือร่างกายนี้เกิดมาด้วยมานะเธอพึงอาศัยมานะละมานะนั่นเสีย ข้อที่เรากล่าวว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยมา n นะบุคคลพึงอาศัยมา n น a ะละ mana นะนั้นเซเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้ยินข่าวว่าภิกษุชื่อนั้นเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นแล้วท่านทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสําเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้เธอมีความคิดเปรียบเทียบว่า ที่ท่านผู้นั้นทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ก็เราอะเป็นอะไรล่ะเราเป็นอะไรใช่ไหมอ้าวท่านก็เป็นภิกษุเราก็เป็นภิกษุท่านก็บรดทบาทเราก็บิรทบาทท่านก็เป็นสาวะนับถือพระพุทธเจ้าเราก็นับถือพระพุทธเจ้าแล้วทาไมเรามันเป็นอย่างนี้ เรีว่าอายใจเหลือเกินใช่ไหมละอายใจอันนี้มันมานะนะทำมคนอย่างเราเหมือนนต่อมาเธอก็อาศัยมานะนั้นละมานะนั้นได้น้องหญิงข้อที่ว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยมานะบุคคลพึงอาศัยมานะละมานะนั้นเสียข้อนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดังนั้นเหตการที่บอกว่าอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยมานะละตัณมานะเนี่ยควร น, นะนะควรควร ค, คิดเพราะฉะนั้น พระมหากัะจายนะก็เลยยกมาในวิจยะหาระสัมปะตะว่าตันหาก็มีสองอย่างคือตันหาที่เป็นปัจจัยแก่วตตะกับตันหาที่เป็นปัจจัยแก่วิวตตะตันหาที่เป็นปัจจัยแก่วตตะนั้นจริงๆแล้วควรละส่วนตันหาที่เป็นปัจจัยแก่วิวตตะควรเจริญเนี่ยนะควรเจริญมานะก็มีอยู่สองอย่างอีกเหมือนกันใช่มานะที่เป็นปัจจัยแกวตตะและวิวัตตะมานะใดที่เป็นปัจจัยแก่วิวัตตะเป็นปัจัยแก่การแทงตลอดอริยสัจ มานะนั้นก็ชื่อว่าเป็นมานะที่เป็นกุศลเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ควรเจริญเพราะว่าถ้าเจริญแล้วก็ไม่มีโทษนะอย่างตันหาที่บอกว่าตันหาที่เป็นกุศลเนี่ยนะก็คือตันหาที่ไม่มีโทษเพราะคิดอย่างนี้คิดปรารถนาที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเป็นความคิดที่ไม่มีโทษอะไรถึงขณะนั้นจะเศร้ามองบ้างด้วยอำนาจราคะเจือหรือจะมีมานะด้วยอำนาจของมานะแทรกแต่ก็เป็นตันหามานะที่น้อมไปเพื่อที่จะ บรรลุมรรคผลเนี่ยนะน้อมไปเพื่อจะเกิดการตรัสรู้พันเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เสียหายพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญเนี่ยนะให้อาศัยตัณหาละตัณหาให้อาศัยมานะละมานะอาศัยตัณหาอาศัยมานะมานะตอนนี้เพื่อละมานะที่เป็นเหตุให้เกิดในวะตะัตฏะอาศัยตัณหาตอนนี้เพื่อกําจัดตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดในวัตฏะให้ได้เนี่ยนะ ขาะเดียวกันเนี่ยนะไอ้คนที่มีตัณหามีมานะมากๆเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยสบายไหมตัณหาแทรกเป็นปกติเยอะยิ่งก็ปานนั้นมานะมากก็ปานนั้นคิดว่าเขาจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขไหมไม่มีความสุขพวกนี้ปฏิบัติเป็นทุกขาปฏิปทาเพราะฉะนั้นพวกที่มีความปรารถนาะเป็นปัจจัยปรารถนาที่จะบรรลุตัณหาเกิดขึ้นในบุคคล น, นั้นว่า พระอริยบุคคลทั้งหลายท่านกระทําให้แจ้งเข้าถึงผลอันเป็นของพระอริยที่สงบอันใดยอยู่เราก็จักกระทําให้แจ้งเข้าถึงผลอันเป็นที่อยู่ที่สงบอันนั้นในการใดเล่าแม้มานะนี่มันมีกําลังมากเลยนะท่านเหล่านั้นก็บรรลุแล้วท่านเหล่านี้ก็บรรุแล้วเมื่อไร่เราจะบรรุบ้างเมื่อไหรเราจะบรรลุบ้างคิดอย่างนี้บ่อยๆ อ, อะไรเกิดขึ้นดีใจไหมเสียใจยพวกนี้เรียกว่าเกิดเป็นโทมนัะที่อาศัยเนคขมมะขึ้น เกิดด้วยโทมนัะที่อาศัยเนคคำมะมานะมันแรงมากะนะอยากบรรลุมันแล้วไม่บรรลุสักทีหนึ่งก็เสียใจบางแต่ว่าเสียใจแบบนี้ควรเจริญนะเสียใจที่ไม่ได้บรรลุนี่พระองค์ให้เจริญหรือบางทีเนี่ยบอกว่าตัณหาอยากจะบรรลุมากแล้วไม่ได้บรรลุสักทีหนึ่งเสียใจอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่ได้บรรลุไอความเสียใจอันนี้ก็ควรเจริญอันนะั้นมีอยู่ที่อบอกว่าโลภะ โลภะพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญก็คือให้เจริญโลภะเพื่ออยากบรรลุถ้าอยากบรรลุเจริญไปเลยมันถ้าใครมาบอกแม่อยากบรรลุแล้วเกินโอ้หนี้มันตันหาไม่ต้องกลัวหรอกมันคิดอย่างนี้เถอะสิส่งสำคัญมันมันไปอยากอย่างอื่นนล้วไม่ตําหนิ ก, กันนี่สิใช่ไหมถ้าอยากบรรลุแล้วบอกว่าอากุศลที่จะอยากกินอยากเที่ยวอยากอะไรบอกไม่เป็นไรปกติเป็นอัธยาศัยงั้นรับได้ใช่ไหมแต่บอกว่าปรารถนาจะบรรลุเนี่ยกลับรับทําใจไม่ได้เออมันเกิดอะไรขึ้น แต่นี้ก็ถ้าหากว่าเข้าใจบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้บรรลุดีกว่าไปเสียใจเรื่องอื่นทั้งหมดในโลกนี่แหละในบรรดาเรื่องที่ควรเสียใจทั้งหลายสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือทําไมไม่บรรลุเพรา ะ, ะนั้นความตันหาบางอย่างพระองค์ก็สอนให้เจริญมานะบางอย่างก็สอนให้เจริญความเสียใจบางอย่างพระองค์ก็สอนให้เจริญแต่ว่าถือว่าเป็นอภโรหาลิกนะนะหมายความว่ามันมีไม่มากหรอกในพระไตรปิฎกก็คือมีน้อย แต่ก็มีอยู่บ้างมีอยู่บ้างว่าให้ให้อาศัยเรียกว่าอาศัยโทมานที่เกิดจากเนคขมะเพื่อละโทมานที่อาศัยเรือนอาศัยกามเนี่ยนะก็คือปกติเราก็เสียใจยเรื่องเรื่องทั่วๆไปในโลกนี้ไม่ใช่น้อยแต่ว่าทำไมไม่มาเอาเอาความเสียใจยนั้นเปลี่ยนเรื่องซะเปลี่ยนว่ามาเปมาเสียใจยว่าทำไมไม่บรรลุ นางวิสาขาก็เห็นอริยสัจ ต, ตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วทำไมเนี่ยอายุตั้ง7็ดขวบตั้งสิบรอบแล้วไม่บรรลุเหมือนนางวิสาขามันเกิดอะไรขึ้นเสียใจเหลือเกินเนี่ยนะถ้าอย่างเงี้ยน่าเสียใจเนี่ยนะแต่ถ้าไปเสียใจเรื่องอื่นไม่น่าเสียใจหรอกเหมือนกันที่ในที่บอกว่าโทมานัตอาศัยเนคขมมะ น, นะข้อความอันนี้มีอยู่ในสลายตนาวิพังกสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปรนาตเล่มยี่า ข้อ628หน้า289 <c oughs> ในข้อ228หน้า689สลายยตนวิพังกสูตรอุปริปนาเนี่ยน ะ, ะโทมนัสอาศาายัยเนคขมะหเป็นไฉไ น, นบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรูปทั้งหลาย นะของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโพธภะเนี่ยนะของธรรมารมณ์เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เท yeah> ี่ยงความแปรปลวนไปความคลายไปความดับไปของรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมารมณ์ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วบอกว่ารูปทั้งในก่อนรูปในอดีตหรือรูปในบัดนี้เสียงในอดีตหรือเสียงในบัดนี้เสียง กลิ่นในอดีตหรือกลิ่นในบัดนี้รสในอดีตหรือรสในบัดนี้โพธพภะในอดีตหรือโพธาพะในบัดนี้ธรรมรมณ์ในอดีตหรือธรรมรมในบัดนี้ทั้งหมดล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาปัญญานิพิจารณาอย่างถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะทั้งอดีตและปัจจุบันพอพิจารณาเห็นแต่ความไม่เที่ยงความไม่จีรังยั่งยืนของสังขารอย่างนั้น ก็เข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์คือมรรคผลตั้งความปรารถนาเพื่อจะบรรลุมรรคผลเมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์คือการบรรลุอย่างนี้แล้วคือตั้งอย่างนี้ว่าเมื่อไรตัวเราถึงจกบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เล้วย่อมเกิดโทมณัตเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนันี้เรียกว่าโทมณัตอาศัยเนคขมะ เสียใจเนี่ยนะเมื่อไร่นาะจะเห็นอริยสัจเหมือนกับนางวิสาขาเมื่อไหร่จะเห็นอริยนนสาาัเจเ ห, เหมือนกับพระอะไรที่บรรลุสกท า, าคามีนางเอ่อนางลูกสาวอนาถาบินทิกะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นพระสกท า, าคามีเมื่อไหร่จะบรรลุเป็นพระอนาคามีแบบพระป ก, กุศลสติเป็นต้นเมื่อไหร่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เล่าเสียใจที่ตัวเองไม่ได้บรรลุอันนี้ควรเสียใจใช่ไหม ไปเสียใจเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่เสียใจมานักต่อนักแล้วเนี่ยนะก็เปลี่ยนเรื่องเสียใจหน่อยจะเป็นรายไปใช่ไหมเสียใจว่าเมื่อไหรจะได้บรรลุเมื่อไร่จะได้บรรลุเนี่ยนะแต่ที่สําคัญก็ปัญหาว่ารู้ว่าบรรลุอะไรด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเสียใจที่ไม่ได้บรรลุเนี่ยนะก็แต่ว่าไม่รู้ว่าบรรลุอะไรถ้าอย่างนี้ก็มันก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ที่สําคัญว่าเสียใจที่ไม่ได้สิ่งนั้นก็ให้มันรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรอันนี้ก็น่าถือว่าน่ายกย่องชมเชย ทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติด้วยอำนาจของทุกขาปฏิปท า, านะตอนแรกตัณหามานะมันก็จะทาให้อยากจะบรรลุตัณหามากเข้ามานะมากเข้าก็ภาคเพียรศึกษาและปฏิบัติอยู่ในศิกขาสามปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็เจริญได้จริงแต่ไม่บรรลุสักทีก็เสียใจอีกว่าทาไมไม่บรรลุพวกนี้เป็นทุกขาปฏิปทา